ในช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนี้ที่ต้องใช้ชื่อนี้ต้องแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งว่ า, าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยเตือนก็คือการที่ศึกษาธรรมะจำธรรมะได้รู้หมดเลยว่าตรงนี้อยู่ในสูตรนี้เป็นคำอุทานมีการใช้ภาษาอย่างไรอย่างไรแต่ว่ายังโกรธอยู่ยังด่าเขาอยู่ยังผิดศีลอยู่ไม่เอาธรรมะไปปฏิบัติ เวลาเขาพูดไม่ดีกับเราก็ยังโกรธยังจีดอันนี้คือเรียกว่าปริยัติที่เป็นงูพิษปริยัติที่เป็นงูพิษเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะของเราเนี่ยเราจึงหลีกเลี่ยงนะการที่ฟังรู้จําได้รู้หมดเลยว่าอะไรอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ในพสูตรไหนมาจากใครพูดเมื่ อ, อไรพูดกับใครและใครเป็นอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ทำเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องพูดให้ชัดเจนว่าช่วงที่เป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ย เราจะมาศึกษาหมวดธรรมะในหมวดต่างๆเป็นแง่มุมของธรรมะที่เป็นข้อๆเป็นลักษณะของธรรมะที่ศึกษาในแง่มุมจากมุมมองของธรรมะนั้นอย่างไรก็ตามการศึกษาตรงนี้เราต้องศึกษาด้วยการปฏิบัตินะฟังรู้จำได้เข้าสมองอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้เข้าไปในใจเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ท่านผู้ฟังที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ย ให้ศึกษาด้วยการปฏิบัตินะอย่าศึกษาด้วยหูอย่าศึกษาด้วยแค่ฟังรู้จำไดนะ้แต่ให้ศึกษาด้วยการปฏิบัติในใจนั่งอยู่ฟังอยู่เนี่ยก็ทําได้นะไม่จําเป็นต้องออกไปวิ่งข้างนอกออกไปนั่งสมาธิหลับตาเดินจงกรมหรือพว่าทำก็ดีเหมือนกันแต่ว่าฟังอยู่นี้ก็ปฏิบัติไปได้ด้วยเลยเวลามีผัสสะเราก็ปฏิบัติไปได้ด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษ ก็จะได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลอันแรกคือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้1หมวดในหลายๆอย่างซึ่งประกอบอยู่ด้วย4่ข้อต้องทำความเข้าใจ น, นิดนึงก่อนคำว่าอิทธิบาทเนี่ยแปลว่าอะไรน้ำบาทบอใบ ไ, ไม้สละอาททหารนี่ก็คือบาทฐานนะไม่ใช่เงินบาสสาบาท 3, 5บาทอะไรอย่างนี้นะ แต่เป็นบาดฐานบรรทัดฐานมางเนเถอะบรรทัดฐานของอะไรของอิทธิไงอิทธิเนี่ยคือความสามารถที่เหนือธรรมดานะเป็นความสามารถที่เกินกว่าที่ใครๆปรกติเขาจะทํากันได้เพราะฉะนั้นอิทธิบาทก็คือบาตรฐานนะพื้นฐานที่จะต้องมีในการที่จะมีอิทธิแตนะ่ความสามารถพิเศษบางเงนเถอะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไออิทธิบาทสีนะ่ทำไปทำไม สี่อย่างอะไรก็ยังไม่รู้เลยทําไปก็คือว่ า, อ, าอย่างเลิศหรูที่สุดเลยนะสมณะสมุทรเจ้าสมณโคดมสมณโคดมเนี่ยเจริญอิติบัทสีจึงทําให้เป็นสมณะสมุทธเจ้าได้รู้สัพพัญญุตญาณคือความสามารถที่จะมาเป็นสมณะสมุทธเจ้าแค่นั้นยังไม่พอพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสมณโคดมก็ใช้อิติบัติ4นี่แหละในการที่จะทําให้พระองค์มีฤทธ ฤทธิ์ในที่นี้ก็คือแปลงแยกร่างได้จากหนึ่งคนเป็นหลายคนได้สามารถที่จะทำความสามารถในการรู้จิตคนอื่นได้เห็นอดีตอนาคตได้มีอายุยืนจนครบหนึ่งกับได้ก็เพราะอิธิบา4สีนี้เราพระอริยะสาวกในสมัยพุทธกาลเช่นมกขลนะสารีบุตร ที่เป็นอัครสาวกซ้ายขวาเนี่ยเปนผู้มีปัญญามากแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาทสีหรือแม้แต่สาวกที่เป็นชั้นชั้นเลิศแปดสิองค์แรกที่มีลักษณะความเป็นเอตตะคะในด้านต่างๆที่เป็นได้นั้นก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาทสีหรือว่าพระอรันธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่าเป็นพระอรันเนี่ยก็เป็นได้เพราะอิทธิบาทสี หรือว่าการที่เราจะมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีพกกระสับอยู่ในกระเป๋าน้รวยขึ้นมาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นราชาอํมมากศกษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาทพราะฉะนั้นจึงต้องพูดให้เข้าใจว่าเรื่องของอิทธิบาท4เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราถ้าเอาเราเอามาศึกษาจำได้แล้วเอามาปฏิบัติแม่ชีวิตของเรานี่มันจะดีขึ้นมาได้ จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องของอิทธิบาทสีนี้ให้ชัดเจนนิดหนึ่งซึ่งสิ่งที่เราเรียนมาในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกอิทธิบาทสีนี่คือชันตะวิรยิยจิตตะวิมังสาอย่างี้นะ ถ, ถูกแค่ส่วนเดียว3 ส, ส่วนถูกแค่ส่วนเดียวจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้บทเพียนชนะว่าจเจริญอิทธิบาทสีจเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาทส คำ ว, ว่าเจริญอิทธิบาทสีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือการที่เราจะเจริญอิทธิบาทสีเนี่ยต้องมี3ส่วนอิทธิบาทของมันเองเนี่ยมีอยู่สอย่างจะเจริญได้ต้องมี3ส่วนเราต้องเข้าใจตรงนี้อิทธิบาทเนี่ยมีอะไรบ้างสอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือชันทะนั่นคือความพอใจอวิริยะคือความเพียรอย่างที่3มคือจิตตะจิตตะก็คือการ ทำให้ในใจอยู่อย่างต่อเนื่องคิดอยู่เรื่องนี้ตลอดเวลาวิบังคาอย่างที่4ก็คือการพัฒนาปรับปรุงนะมีความคิดพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยเรื่อยสามอย่าง4อย่างนี้คือ4อย่างในอิธิบาติ4แล้วการเจริญที่ต้องมี3ส่วนคืออะไรส่วนแรกก็คือพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งนะทำเครื่องปรุงแต่ง ในปรปรระไตภาษาอังกฤษหรือว่าในฉบับอื่นๆเขาแปลตรงนี้ว่าปัญหาปัญหาหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งอย่างที่2องนะใช้สมาธิส่วนที่สองคือมีสมาธิส่วนที่2ก็คือสมาธิส่วนที่2ก็คือสมาธิเราจะเจริญอิทธิบาทสีได้ส่วนแรกต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งส่วนที่สองต้องมีสมาธิ ส่วนที่3ก็คือต้องมีอิธิบาส4อันที่1นั่นคือฉันทะนะเพราะฉะนั้นการเจริญอิทธิบาสีเนี่ยจเจริญได้ต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนอย่างแรกคือปัญหาหรือทําเครื่องปรุงแต่งอย่างที่2คือสมาธิอย่างที่3คือฉันทะอันนี้เป็นอิธิบาส4อันที่1จะเจริญอิธิบาสีคือฉันทะได้คุณต้องมี3อย่างนี้นะจะเจริญอิทธิบาส4คือวิริยะได้ คุณจะต้องมีปัญหามีสมาธิมีวิริยะจะเจริญอิทธิบาท4คือจิตตะได้คุณต้องมีปัญหามีสมาธิมีจิตตะจะเจริญอิทธิบาท4คือวิมังสาได้คุณต้องมีปัญหามีสมาธิและมีวิมังสาทีนี้ชาอธิบายแต่และองค์ประกอบให้ฟังก่อนว่าสามส่วนที่ต้องเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยคืออะไร ส่วนแรกนะคือทําเครื่องปรุงแต่งคือปัญหาทําเครื่องปรุงแต่งหรือปัญหาในที่นี้คืออะไรก็คือสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตเรานั่นแหละนะทำอะไรที่มันปรุงแต่งได้ธรรมะนะทอถ่าน ร, รอเรือรอเรือมอมาเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งอะไรก็ได้ที่ปรุงแต่งได้เอามาเป็นปัญหาในชีวิตได้เอามาเป็นเครื่องที่เราจะใช้ในการาให้เจริญอิทธิบาท4ีได้อย่างเช่นว่าถ้าเราเจอปัญหาในชีวิตเนี่ยคือไม่มีใครใน โลกนี้หรอกนะที่บอกว่าชีวิตฉันไม่มีปัญหาเลยชีวิตฉันสบายตลอดไม่ใช่นะเอาแค่ว่าคุณตื่นเช้ามานะคุณต้องไปรับประปทานอาหารคุณต้องไปเข้าห้องน้ําพวกนี้คือทําเครื่องปรนนุงแต่ทั้งหมดพวกนี้คือความทา้าทายในชีวิตทั้งหมดจะพูด่าเป็นปัญหาในชีวิตก็ได้แต่เพราะว่าอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอเป็นสิ่งที่เราต้องแก้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทําเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญ น, นะสิ่งอะไรก็ตามที่เราต้องแก้ต้องทำต้องเผชิญต้องพบเจอพวกนี้ เป็นทำเครื่องปรุงแต่งทันั้นเป็นปัญหาในชีวิตของเราทั้งนั้นบางคน เ, เรื่องการกินอยู่เขาเรียกว่าไม่เป็นปัญหานะปัญหาคือปัญหาในชีวิตแต่ว่าเป็นทําเครื่องปรุงแต่งเพราะว่าเขาสามารถแก้ไขไดนะ้ในขณะที่ของบางคนเนี่ยเป็นปัญห า, เ, าเป็นสิ่งที่เขายังต้องเผชิญอยู่ต้องที่จะต้องแก้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกว่าทําเครื่องปรุงแต่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเร า, เ, าเจอปัญหาในชีวิต นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการที่จะเจริญอิทธิบาทศีจเจริญชันทะได้บางคนเนี่ยจเจอปัญหาในชีวิตที่หนักมากนะไม่ว่าคนที่ใกล้ตัว เ, เป็นญาติพี่น้องภรรยาสามีบุตรเสียชีวิตเป็นต้นนะเป็นหอ้โเป็นปัญหาที่หนักมากแก้ไม่ได้ด้วยแมนะคนตายแล้วจะไปขุดเขาขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยนะ หรือว่าปัญหาเช่นเงินหายาการธุรกิจตกลงกันไม่ได้ปัญหาลูกไม่เชื่อฟังปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆพวกนี้เป็นปัญหาหมดคนที่จะเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นทำเครื่องปรุงแต่งได้เนี่ยคุณต้องมีองค์ประกอบที่สองนั่นก็คือเรื่องของสมาธิการที่เราจะต้องมีสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะเห็นปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ย ให้เป็นโอกาสนะเห็นปัญหาเป็นความท้าทายเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสได้คนที่จะเห็นแง่มุมวิธีแก้การแก้ปัญหาหรือว่ า, เ, าเป็นความท้าทายขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีสมาธิสมาธิเนี่ยจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังนําเปรียบเสมืนอนว่นขยายที่เวลารับแสงเนี่ยรวมแสงเข้ามาแล้วเนี่ย แม้ความเข้มข้นของมันนี่ร้อนจนถึงทำให้กระดาษเนี่ยไได้หรือว่าจุดหัวไม่ขีดได้เหมือนกันถ้าจิตของเราเนี่ยมีการตั้งมั่นเป็นหนึ่งรวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราเนี่ยจะมีกําลังในการที่จะเห็นปัญหานชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่เนี่ยมีทางแก้เป็นความท้าทายขึ้นมาได้มีแง่มุมได้มีแง่มุมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปได้ ซึ่งตรงนี้นี่แหละคือส่วนที่เราเรียกว่าจะต้องมีนะสส่วนแรกในการที่จะเจริญอิทธิบาท4ส่วนที่3ที่คุณจะเจริญอิทธิบาท4ีได้นะก็คือชันท ะ, ะเจริญชันทะได้คุณต้เอาชันทะมาใส่ชันทะนี่คือความพอใจความพอใจในการที่เราจะต้องตั้งไว้ในการที่เราจะแก้ปัญหานี้หรือทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าชีวิตของตัวเองไม่มีปัญหาเนี่ย ก็ดีแล้วนะคุณก็หาเป้าหมายในชีวิตมาซะจะเป็นเป้าหมายเล็กก็ได้เป้าหมายใหญ่ก็ได้ในะที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นจะเป็นเป้าหมายในทางธรรมะก็ได้ในะที่เป็นไปเพื่อการหลีกออกจากกามหรือจะเป็นเป้าหมายในทางโลกก็ได้นะในการที่จะให้มีโพคาซับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีขึ้นหรือว่าจะเป็น เป้าหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปในความที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอริยบุคคลขัน้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ความพอใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งเอาไว้ในทําเครื่องปรุงแต่งตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทําเครื่องปรุงแต่งเช่นปัญหาในชีวิตเป้าหมายที่เราต้องการนะคุณจะเห็นเป็นความท้าทายเป็นการแก้ไขปัญหาได้เป็นเป้าหมายในชีวิตแล้คุณต้องมีสมาธิเอาฉันทะนี่คือความพอใจเข้าไปตั้งเอาไวนะ้สามอย่างนี้รวมกัน จะเกิดสิ่งที่เรียว่าเจริญฉันท h a ได้เป็นหนึ่งในอิทธิบาทสีอ่านี่คือองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2ของการเจริญอิทธิบาท4ีก็คือเรื่องของวิทยาคือความเพียรคุณจะเจริญวิทยาได้คุณต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิมีวิทยะ3อย่างทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือปัญหานั่นแหละเหมือนเดิม น, นปัญหาในชีวิตความท้าทายในชีวิตโอกาสในชีวิตหรือว่าวิกฤตในชีวิต เหมือนกันหมดะจะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสคุณต้องมีสมาธิจะเห็นปัญหาเป็นความท้าทายเป็นทางแก้ไขได้คุณต้องมีสมาธิเอาความเพียรของเราเนี่ยแหละนะความเพียรที่เราเอามาตั้งไว้ในการที่เราจะเจริญอิทธิบาทสีเป้าหมายในชีวิตของเราเราต้องมีมีเป้าหมายแล้วเราก็เอาความเพียรของเราเข้าไปใส่นะความเพียรในที่นี้ก็คื อ, อมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขน นะตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้เป็นลักษณะของพุทธภานาที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงคนที่เพียรหาโกาพกษะสำหรับพระภิกษุเนี่ยก็คือในการเพียรที่จะละกิเลสนะเอาอากุศลออกจากจิตอกุศลใดที่ยังมีอยู่เอาออกอกุศลอะไรที่เราเอาออกได้แล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกอกุศลอะไรที่เรายังไม่ได้ทาให้มีนะให้ทาให้เกิดขึ้นได้ ความเพียรที่เราจะไม่ให้กุศลธรรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเละเลื่อนหายไปอันนี้ก็ความเพียรที่เราทำได้คนที่มีความเพียรเนี่ยจะสามารถที่จะเจริญอิทธิบาท4ในข้อวิทยาไดนะ้ด้วยลักษณะนี้คือมีสมาธิมีวิริยะและก็มีทาเครื่องปรุงแต่งนี่คือองค์ประกอบที่2ของการเจริญอิทธิบาทสองค์ประกอบที่สาม องการเจริญอิทธิบาทสีนั่นก็คือเรื่องของจิตตะคนเราจะเจริญจิตตะได้เนี่ยองค์ประกอบที่3ของการเจริญอิทธิบาท4นั่นก็คือเรื่องของจิตตะจะเจริญจิตตะได้เนี่ยคุณจะต้องมี3ส่วนนะส่วนแรกคือทําเครื่องปรุงแต่งในที่นี้ก็คือปณาที่เราตั้งเอาไวนะ้หรือเป้าหมายในชีวิตหรือความท้าทาย หรือวิกิที่เราเจอนะหรือว่าโอกาสที่เราพบในตั้งไว้์เป็นธรรมเครื่องประดุแต่งตรงนี้อันที่2จะต้องมีสมาธิสมาธินี่ก็คือจิตที่สงบนะจิตที่เป็น1จิตที่มีกําลังจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวพอเรามีทำเครื่องประดุมแต่งมีสมาธิมีจิตตะนะจะเป็นสิ่งที่เราเจริญจิตตะได้ จิตตานี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่าจิตต์เนี่ยเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเอาใจจดใจจ่อตั้งใจเอาใจจดใจจ่อไว้เลยการเอาใจจดใจจ่อตรงนี้ก็คือว่าอดซองดูแลเอาใจจดใจจ่ออยู่อย่างเดียวหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะเอาใจจดใจจ่ออยู่แต่เรื่องนี้อย่างเดียวนะอย่างเช่นนักเรียนที่เตรียมสอบ ขั้นผู้ดมมาศึกษาจะเป็นโอเลเวลหรือว่าเอเลเวลที่เตรียมสอบต่อชั้นในระดับมหาวิทยาลัย อ, อย่างเงี้ยการเตรียมตัวของเขาเนี่ยโหจต้องเตรียมตัวกันหนักมากคนที่จะสอบได้ดีและได้ไปที่มหาวิทยาลัยดีๆคณะดีๆไม่คิดเรื่องอื่นเลยวันๆตื่นเช้ามาคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเตรียมสอบอ่านหนังสือวันนี้จะอ่านวิชาอะไรเตรียมศึกษาทําข้อสอบวิชาอะไรนะ บางวันกินรปรานอาหารเสร็จก็มาอ่านหนังสือต่ อ, เ, อเป็นการตรีมตัวที่เราจะต้องตรียมตัวเพื่อที่จะทําสิ่งใดที่มันสําคัญสําคัญอยู่ตลอดหรือว่าผู้ที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจก็ตามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเขาจะต้องมีการคิดวิเคราะห์พิจารณาเอาใจจดใจจอ่ออยู่แต่เรื่องนี้ตลอดเลยเรื่องอื่นไม่คิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดทางการความคิดทางพยาบาทความคิดทางเบียดเบียน จะคิดถึงไปห้างสรรพสินค้าไปเลือกซื้อสินค้าไม่คิดนะจะคิดถึงไปร้านเกมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่คิดนะคิดแต่เรื่องที่จะทําทปเป้าหมายของเราให้สําเร็จนะทําเครื่องปรุงแต่งทําสิ่งที่เร า, ารเผชิญหน้าอยู่นะวิกฤตหรือว่าโอกาสนี้ให้สําเร็จนี่คือจิตตะนะคือการเอาใจจดใจจ่อคิดอยู่แต่เรื่องเดียวนะเอาใจเอาแต่ใจของเราเนี่ย ไม่ไปคิดเรื่องอื่นนี่คือจิตต ะ, อ, ะอย่างที่4ในเรื่องของอิทธิบาท4เนี่ยก็คือวิมังษาวิมังษาเป็นภาษาบาลีเหมือนกันนัแปลว่าการที่จะพัฒนาปรับปรุงนะเราเจอสิ่งใดๆก็เอาอความคิดพิจารณาที่จะทำสิ่งของเราเให้ดีขึ้นอย่างเช่นว่าพูดทีเตรียมหนังสืออ่นหนังสือสอบอย่างเงี้ยอาจจะมีเทคนิคความรู้ความจา ที่ได้ล้ำเรียนเล่าเรียนมาเพิ่มเติมเนี่ยทำให้การความจําของเราดีขึ้นความจำของเราดีขึ้นเนก็ทําให้การจดจําข้อสอบจดจําเนื้อหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้ความเทคนิคความจําต่างๆเทคนิคในการอ่านหนังสือเร็วหรือเทคนิคในการช็อตโน้ตการเขียนโน้ตการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นวิมังษาสําหรับการสอบเป็นต้น หรือว่าในทางธุรกิจาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยประมวลผลการทําบัญชีการเก็บข้อมูลก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพของธุรกิจดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจให้มีผลกําไรนะเป็นทําเครื่องปรุงแต่งมีสันทายอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยวิมังษา ก, ก็คือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์การใช้ระบบเก็บฐานข้อมูลเพื่อให้การทํางานเร็วขึ้นนะหรือตัวอย่างของ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปถึงที่นั้นที่นี่มีเป้าหมายคือการเดินทางให้ไปถึงจุดที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเป้าหมายของคุณก็คือการเดินทางไปถึงเชียงใหม่การที่เราเปลี่ยนวิธีการเดินทางไปใช้เครื่องบินบ้างใช้การเดินทางที่รวดเร็วขึ้นเนี่ยก็เป็นวิมังสาของการตั้งเป้าหมายตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องของวิมังษา เพราะฉะนั้นในการเจริญอธิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายถึง4อย่างนี้นะคือฉันทะพิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาทั้ง4อย่างนีนะ้ต้องประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือทำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้ก็คือปัญหาในชีวิตนะความท้าทายที่มีโอกาสหรือแม้แม้แต่วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนะพบกับความเสื่อมแห่งญาตนะิญาติตายพ่อตายแม่ตาย ลูกตายสามีภรรยาเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเราพบเจอสิ่งนี้นั่นแหละคือทำเครื่องปรุงแต่งหรือแม้แต่ว่าจะเป็นเป้าหมายอย่างทั้งโลกโลกนะเช่นการที่ให้มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าการที่จะเรียนสอบผ่านหนังสือสอบผ่านได้่านหนังสือได้เข้าใจพวกนี้เป็นทําเครื่องปรุงแต่งได้ทั้งนั้น อย่างที่2คือสมาธิสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญต้องฝึกต้องทําให้จิตเราเป็นหนึ่งอย่าไปคิดเรื่องบ้าบอๆเรื่องการเรื่องพิบาตเรื่องเบ็ดเบียนถ้ามีจิตอยู่ใน3เรื่องนี้ละปรองจิตไม่มีทางเป็นสมาธิเด็กนักเรียนที่จะสอบเนี่ยถ้าไปคิดเรื่องการเล่นเกมการเล่นเกมก็คือการของเขาก็จะไม่สามารถทําให้จิตนั้นใจจดใจจ่ออยู่กับทําเครื่องปรุงแต่งของตนได้ แล้อย่างที่สาคือเทคนิคที่เราต้องใช้นั้นก็คือเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาก็คือว่าให้มีความพอใจในสิ่งนี้อย่าไปพอใจในสิ่งอื่นแง่มุมตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยจะผิดหลักของอที่พระพุทธเจ้าสอนในการที่จะให้เป็นผู้ที่ระวางอย่างนั้นหรือเปล่าหรือแม้แต่ คนที่ต้องการจะเป็นพระอาหารหันต์เองเนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายนะนนคือการที่เราจะาเป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้ก็คือฉันทะมันคือความพอใจความพอใจตรงเนี้หมายความว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก่อนสมมติว่าคุณเป็นายาจกอยู่ตอนนี้มีเป้าหมายว่าจะเป็นเศรษฐีร้อยล้า น, นมีเป้าหมายจะเป็นเศรษฐีร้อยล้าน มีเป้าหมายจะเป็นเศรษฐีร้อยร้อยล้านอย่างเนี้แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นยาโจกอยู่มีเงินเดินเลยเราไม่ถึงหมื่นบาทอย่างนี้นะเราจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านเนี่ยมันคงจะยากอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องมีชั้นตาคือความพอใจในอะไรในความเป็นอยู่ของตัวเองณนะวินาทีนี้ก่อนคนที่พอใจมีชั้นตาแล้วเนี่ยไม่จิตไม่คิดวุ่นวี่วุ่นวายแม้ฉันจะเป็นเป็นเศรษฐีร้อยล้านได้ยังไงโนเครียดหรือว่าไปกู้ยืมเงินมา ไปปล้นไปฆ่าเพื่อที่จะได้เงิน100ร้อยล้านก็ทําได้แต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าความที่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่เขาจึงไปทําผิดศีลเพรา ะ, ะนั้นอย่างแรกเนี่ยคุณต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นคือฉันทะพอมีฉันทะความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วเนี่ยมีทําเครื่องปรุงแต่งใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สมาธิของเราแใช้ความเปลี่ยนของเราใช้จิตตะใช้วิมังสาของเราเนี่ยแกย้ไข ทำให้มันคกิดขึ้นได้ฉันท้านในแง่มุมตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณมีความพอใจในเงินร้อยล้านไม่ได้หมายความว่าให้คุณมีความพอใจในเงินร้อยล้านที่คุณยังไม่มีนะแต่ให้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ก่อนนะพอใจกับเงินไม่ถึงหมื่นที่เรามีอยู่นี่แหละนะแล้วเราก็ค่อยๆทําไปมีความเพียรมีการตั้งจิตมีการพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลานะขณาพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะก็เพราะอิทธิบาทสินะ หรือว่าพระมคคานาสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศได้เนี่ยก็เพราะว่าอิทธิบาทสี่พระอรหันต์ทุกองค์ที่สาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยละอาสวะได้ก็เพราะว่าเจริญอิทธิบาทสี่รับปัญหาในชีวิตของเรามันธรรมดาธรรมทานเนี่ยทำไมมันจะแก้ไม่ได้ด้วยอิทธิบาทสีเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิทธิบาทสีตรงนี้เนี่ยพอเรามาวิเคราะห์ดูดีๆแล้วในแง่มุมของทําเครื่องปรุงแต่งคือต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะเป้าหมายในชีวิตเนี่ย ไม่ใช่ว่าโลภไม่ใช่ว่าตั้งเป้าไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความเพ่งเลงแต่ให้มีความพอใจความพอใจในที่นี้คือพอใจในฐานะของตนเองพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่พอใจแล้วเราตั้งเป้านะมีความเพียรมีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลามีความที่พัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะยังไงมันก็สาเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิทธิบาทจีเนี่ยพระเจ้า ย, ยังเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า ในตั้งจิตเอาไว้เนี่ยความพอใจก็ตามความพิยินก็ตามจิตตะก็ตามความอาใจใส่เนี่ยนะแล้วก็วิมังสาคือการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยต้องตั้งใจไว้ในลักษณะที่ว่าความเหี่ยวแห้งความแห้งเหี่ยวใจจะไม่เกิดขึ้นความกวดขันเกินจีดจํากัดก็จะไม่เกิดขึ้นนะความกัดแกว่งในภายในก็จะไม่มี นะความฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็จะไม่มีนะเป็นให้ทําลักษณะอย่างนี้คือหมายความว่าถ้าจิตของเราเนี่ยเหี่ยวแห้งท้อแท้ท้อถอยหรือว่ากวดขันเกินไปหรือว่ากวัดแกงในภายในฟุ้งซ่านไปในภายนอกอันนี้ผิดละคุณทําไม่ถูกคุณทําเจริญอิทธิบาทสีไม่ถูกการเจริญอิทธิบาทสีด้วยฉันทะวิยดจิตตับ ว, วิมังสาโดย3ส่วนคือทําเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิและอาศัยอิทธิบาททั้ง4ี่เนี่ย จิตของเธอเนี่ยจะต้องไม่เหี่ยวแห้งจะต้องไม่กดขันเกินไปจะต้องไม่กัดแกงอยู่ในภายในจะต้องไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกฟังให้ดีครั้งหนึ่งคืออย่างที่1นจะต้องไม่เหี่ยวแห้งจิตของเราเนี่ยจะต้องไม่ไม่ให้มีความเหี่ยวแห้งเกิดขึ้น 2. จะไม่ให้กดขันเกินขีดจำกัด 3. จะไม่ให้กัดแกงในภายใน 4. ี่จะไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในภายนอกเราจะสามารถเจริญอินทิปาสีตรงนี้ได้ นอกจากนี้เนี่ยพระเจ้ายัางพูดถึงว่าส่วนที่มีมาทั้งก่อนทั้งในอนาคตเนี่ยทั้งหลังเนี่ยทั้งก่อนทั้งหลังเนี่ยให้เหมือนกับในปัจจุบันหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำให้สม่ำเสมอนั่นเองนะทำให้อย่างสม่ำเสม อ, อมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสามีการตั้งเป้าหมายในชีวิตมีสมาธิให้อย่างสม่ำเสมอทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบัน นะตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนให้จิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แตนะถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถจริญที่บาทสีได้ลองคิดดูสิคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะเราก็ทําให้สําเร็จบอกเลยตั้งแต่ต้นปีเอาละปีนี้ฉันจะลดน้ําหนักให้ได้สัก10บกิโลยกิโลพอมาถึงปลายปีน้ำหนักเท่าเดิมแถมบางคนน้าหนักเพิ่มด้วยซ้ำเอาทําไมเป็นอย่างนั้ น, น, นทั้งคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันก็ต้องถามตัวท่าน ที่ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นว่าทําอย่างสม่ําเสมอไหมกดขันเกินไปไหมบางทีหรือว่าย่อหย่อนเกินไปไหมแล้วทําตลอดเวลาหรือเปล่าเช้ากลางวันเย็นนะทั้งกลางวันกลางคืนแล้บางคนมีความท้อแท้ทําได้อาทิตยหนึ่งโอ้ไม่เอาละเละิกนะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพระเจ้าจึงเน้นย้าว่านในการเจริญชนทะวิเรียจิตตะและวิมังสาเนี่ยอย่ามีความเหี่ยวแห้งในใจ อย่ามีการกดขันเกินกิจจำกัดอย่าให้มีความกัดแกงไปในภายในอย่าให้ฟุ้งซ่านไปในภายนอกแล้วก็ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้เสมอเสมอกันทั้งกลางวันและกลางคืนและเบื้องบนเบื้องล่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําในลักษณะอิธิบาสสี่ด้วยการที่มีสามส่วนคือปัญหาในชีวิตถือาเครื่องปรุงแต่ง2คือเรื่องของสมาธิ3คือเรื่องของอิทธิบาส ท, ทั้ง4 คือชันทวิริยะจิตตะและวิมังสาทั้งหมดเนี่ยสามส่วน4อย่างเนี่ยต้องประกอบด้วยอีก4แบบนะคือแบบที่ไม่ทําให้จิตเหี่ยวแห้งไม่ทําให้จิตกดการเกินไปไม่ทําให้จิตนี้กวดแว่งในภายในไม่ให้ฟุง้งซ่านไปในภายนอกทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้นะต้องอดีตปัจจุบันอนาคตเช้ากลางวันเย็นทาให้สม่าเสมออย่างนี้จะทาให เป็นผู้ที่เจริญอิทธิบาท4ีได้มีความสําเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราทําอิทธิบาทสีตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือหมวดธรรมที่ชื่อว่าอิทธิบาทสี่นำผู้ที่รู้ธรรมตรงนี้แล้วเอาไป เ, าเพียรปฏิบัติให้ถึงในจิตจะเป็นผู้ที่ว่ารู้ปริยัตแบบไม่เป็นงูพิษนะจําได้รู้ในสมองแล้วก็ทําให้เข้าถึงใจนําไปใช้จะเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเอง